สวิธีปฏิบัติต่อกิเลสวงเล็บเปิด14พฤศจิกายน2550ในวงเล็บสองจุดจุดนาที53วงเล็บปิดอย่าไปสนใจกิเลสของคนอื่นเราก็ดูกิเลสของเราดูไปเรื่อยๆจิตใจจะมีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ากิเลสครอบงําจิตไม่ได้กิเลสเป็นตัวบ่อนทําลายความสุขในจิตใจของเราแต่ว่าวิธีปฏิบัติต่อกิเลสไม่ใช่ไปต่อสู้กิเลส อย่างชาวไฟฟ้ารู้สึกไหมเราไปกั้นแม่น้ําน้ํามีพลังงานมากเอาไปทําไฟฟ้าได้อย่างถ้าน้ำไหลยอยู่ในแม่น้ําเฉยๆไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่กิเลสนี้ก็เหมือนกันนะถ้าลงไปกั้นมันเมื่อไหร่นะมันจะมีพลังทํำลายล้างอย่างมหาศาลเลยฉะนั้นเราต้องทําจิตใจของเราให้เหมือนเรือทอดสมออยู่น้ําไหลามาเรือไม่ลอยไปตามน้ําแต่เรือไม่เคยขวางน้ําถ้าเรือไปต้านน้ําเรือจะล่มจิตใจของเราก็เหมือนกันนะมีหน้าที่รู้ เห็นกิเลสผ่านมาแล้วก็ผ่านไปดูอย่างนี้อย่าไปต่อต้านกิเลสแล้วก็อย่าวิ่งตามกิเลสไปมีแต่รู้ทันกิเลสที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแล้วเราจะภาวนาง่ายไม่เหน็ดเหนื่อยคนไหนภาวนาแบบต่อสู้กับกิเลสจะเหนื่อยเพราะกิเลสจะแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ดูเยอะแยะเลยฉะนั้นอย่าไปสร้างเขื่อนในใจเรานะในอาชีพเราเราชอบสร้างเขื่อนก็จริงแต่ว่าเวลาเราภาวนาอย่าไปสร้างเขื่อนปล่อยทุกอย่างให้ไหลไปตามธรรมชาติแล้วตามรู้ไป